คุณบันจงแนะนำาบ้างยงงังนะมีเอ้คุณบันจงเขาเก่งนะยังไม่มีใครเรียนได้เร็วเท่าเลยเรียนเร็วรายไม้แข่งกับโยอ <c ười> คนเราพวกอนะ <c ười> คุณเพียงจันเป็นยังบ้าง มันแอนนึงไม่ฟื้นเนาะฟื้นหน่อยๆยังไม่เต็มร้อยเหมือนตะก่อ น, ม, น, ม, นมันก็เลย ก, ลกระตุกกระเี้ยงแต่ดีขึ้นนะดีกว่าขราก่อนใ่มันเริ่มมีแรงขึ้นมาหน่อยอเคยทำได้ไม่ยากหรอกอ เวลาไปเจองานยุ่งๆเข้าเครียดเป็นธรรมดาขนาดงานเครียดทำได้อย่างนี้ก็เก่งนะแล้วหลงกลตั้งเองมน้ใช่นะดูอย่างนั้นก็ได้นะ คือถ้าสติปัญญาทันเนี่ยมันก็ตัดอองมันเองแต่มาเมื่อก่อนก็ดูไปงั้นทำอย่างอื่ไม่เป็นนะเกิดอะไรขึ้นก็นั่งดูไงดูดูไฟลุ้นไปว่าเมื่อไหร่จะหลุดลุ้นจนกระทั่งหมดแรงที่จะลุ้นโอ้มันไม่หายนะพอรู้สึกว่าทําอะไรมันไม่ได้ก็เลยหลุดนะอย่างที่เราดูดูไปแล้วบอกเออมันหลุดขึ้นมาเอง จริงๆมันมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยคือเราเป็นกลางกับมันนะะมันทุกข์ทุกข์หาทางออกหาทางจะช่วยตัวเองวุ่นวายจนปัญญาคือ ด, ดิ้นจนจุดปัญญาค่อยหลุเองแหละเพราะงั้นที่หลุดเนี่ยไม่ใช่หลุดแบบไม่มีเหตุผลหลุดเข้าใจเราเป็นกลางแต่เราจะทําใจให้เป็นกลางมันไม่ได้ มันมีปัญญาเกิดขึ้นมามันเห็นแล้วว่าทําอะไรไม่ได้เห็นว่าทําอะไรไม่ได้เนี่ยปัญญามันตัวปัญญาล้วปัญญาเกิดก็ตัดนะปัญญามีหน้าที่ตัดสติมีหน้าที่จับนะไม่งนันถ้าไม่มีสมาธิเอาสติจี้ปุ๊บเกาะไว้เลยแกะไม่ออกพวกที่เอาสติที่จี้ลงไปแช่ไว้จริงส่วนหนึ่งที่ลงไปแช่เพราะเราไปดูเหมือนข้า เขาไปดูมันด้วยความจงใจหมายรู้อยากดูไหลเข้าไปเกาะไว้พอเก่อแล้วอยากหลุดดิ้นดิ้นไปดิ้นมายิ่งดิ้นยิ่งไม่หลุดนะเหมือนตกโคลนนะยิ่งดิ้นยิ่งจมอ๋อดิ้นไม่ได้แล้วต้องตายแน่ๆคราวนี้ไมดินเนี่ก็ค่อยๆหลุดขึ้นมาบก็ถอนของเขาเองดีแล้วล่ะดีแล้วได้บทเรียนบทเรียนที่เหน็ดเหนื่อย เพราะว่าเวลาไม่มีอะไรกระทบนะอารมณ์ซ้ำซากมันกระทบได้แช่อยู่ออกมากระทบโลกข้างนอกมีภัสสะใหม่ๆก็กระตุ้นความรู้สึกขึ้นมาบางทีถึงบอกบางคนชอบไปอยู่วัดไปอยู่วัดป่าเงียบเยสบายไม่มีอะไรกระทบอยู่ได้หลายๆวันบอกว่าดีจิตดีสงบไม่มีอะไรกระทบ ไม่ค่อยดีหรอกขี้เกียจเยียงเราคนเมืองอยู่กับโลกนี้กระทบแ ค, แค่เราทำการบ้านทั้งวันทำการบ้านทั้งวันมันเหนื่อยนะแต่มันเก่งถ้าเหนื่อยมากๆ ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก็ทำสมาธินิดหน่อยไหว้พระสวดมนต์อะไรนิดหน่อยๆก็พอจะให้ใจมันได้พักแต่ว่าเวลาจิตมันเดินจนเป็นมหาสติมันพักไม่ได้ มันไม่ยอมอ่ะไม่ยอมง่ายๆทีก็ต้องคืนใจพักพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธถี่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าดีแล้วละ่ะนะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยไม่ไม่เต็มร้อยนะเพราะว่ายังบาดเจ็บอยู่นะดูออกไหมมันอย่างนุ่มอยู่อันนี้เป็นวิบากแก้ไม่ได้ลนะ หมายถึงความบอบช้ำเดี๋ยไม่ค่อยหายอืดีนะทำไปโยหายไปไหนนานยังกลับมาก็นั่นจ้องอย่างเก่าอีกนฮะอยากอยากอะไรอยากเหมือนเดิมอยากมีเ <c oughs> นียนมโอ้อยา่าไปหลงคนมันนะ ราลนึกว่าทำมากมากดีที่จริงการจเจริญสติไม่ใช่การทำอย่างนั้นไม่ใช่นั่งลุยเข้าไปอย่างนั้นเพวกที่มาบ่อยๆจะได้ยินเพิ่งเล่ามีพระไตรปิฎกเ ล, เล่มที่สิบห้านิโยไปเปิดซีดีดูพระไตรปิฎกเล่มสิบห้าสูตรแรกเลยมีเทวดาองหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะโอคะนะอย่างกามาโอคะพราะว่าโอคะอะไรเนี่ยพระองค์ข้ามกิเลสพวกเนี้ยได้ยังไงหมายความว่าบรรลุพระอรหันต์ได้ยังไงพระพุทธเจ้าตอบบอกดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียนอยู่เราไม่พักกับเราไม่เพียรเทวดาฟังแล้วงงแล้ว ถ, ถามบอกให้พระองค์ช่วยขยายความหน่อย ยังไม่เข้าใจท่านบอกถ้าเมื่อไรท่านพักอยู่ท่านจะจมลงถ้าเมื่อไรท่านเพียรท่านจะลอยขึ้นก็ จ, จบแค่นี้พระสูตรนี้เทวดาได้พระสูดาบัน อ, อยู่ได้ยันก็มีตำลาอสักถาเขาขยายความให้ฟังเหมือนที่หลวงพ่อ บ, บอกพวกเรามานานนักหนา เวลาที่เราไปปล่อยใจให้พักอ่ะหมายถึงเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจเราไหลาตามกิเลสไปจิตก็จะไปหลงปรุงแต่งกิเลสเรียกว่าอากุสลาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วใจเราก็จมลงไปอีกพวกหนึ่งขยันปฏิบัติมากเลยจเจริญโน่นจเจริญ น, นี่ทําสมทุทะทำมโนนทําอันนี้นะเหมือนที่โยพยายามทํานี่แหละ มันเป็นความหลงปรุงแต่งฝ่ายดีเรียกว่ากุศลาที่สังขารพอหลงปรุงแต่งอยู่เนี่ยผลที่ได้นะก็จะได้เกิดในภพภูมิที่ดีจะมีความสุขจะมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าบารรลุมรคผลไม่ได้เพราะงั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่ทําแต่หน้าที่ของเรารู้ทันการทํางานของขันห้าของกายของใจมันทํางานเราคอยรู้ทันมันมีหน้าที่เดียวคอยตามรู้ไปเรื่อยๆ ตามรู้ไม่ใช่นั่งเฝ้านั่งเฝ้าเป็นการทำงานโยนั่งเฝ้ารู้สึกไหมนั่งเฝ้าก็คือการทำงานอย่างหนึ่งตามรู้หมายความว่ามันเป็นยังไงค่อยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่จะรู้ได้ก็ต้องคอยเบื้องต้นต้องหัดสังเกตเอาใช้ใช้ความสังเกตทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการ เป็นความสุขเกิดขึ้นมาคอรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นมารู้ทันนะกุศลนะกุศลเกิดเนีย่ยใครรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปสติมันเกิดขึ้นเองพอสภาวะธทำอะไรที่จิตรู้จักแล้วเกิดขึ้นสติมันจะเกิดขึ้นอย่างบางคนที่เขาไม่ได้เรียนอย่างพวกเราพวกเรานี่ปฏิบัติแล้วสังเกตสภาวะเลยบางคนเขาไปเรียนอะพิธรรม ก็ไปเรียนเรื่องสภาวะธรรมนั่นเองนะสภาวะธรรมเจ็ดสิบสองอย่างทั้งจิตเจตสิกรูปอะไรเนี่ยรวมๆแล้วเจ็ดสิบสองอย่างเรียนจนรู้จักสภาวะเช่นรู้จักว่าโกรธเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเกิดมาแล้วทําหน้าที่ยังไงทําแล้วมีผลเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียนทีละตัวทีละตัวเรียนไปเรื่อยๆโดยหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยพอสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นในใจแล้วก็จะรู้จัก บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็เรียนจนเฟินเินไป น, นี่ถ้าเราไม่ได้เรียนตำราเราสังเกตของจริงๆในใจเลยนีสภาวะที่ต้องสังเกตแี่คือรู้ไหมว่าส่งใจเข้าไปสังเกตนะการที่เราจะรู้จิตรู้ใจเรารู้ได้หลายขั้นตอนนะเบื้องแรกเลยยังดูไม่ค่อยเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น รู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นอย่างความโกรธเกิดขึ้นมาก็จะรู้อะไรเงี้ยรู้ตัวสภาวะมันแต่ถ้าโยปฏิบัติชำนี้ชํานาญมากขึ้นแล้วต่อไปรู้พฤติกรรมของจิตเนีน่ยนะจิตไปเกิดรู้ไหมจิตไปคิดยังไม่ได้มีความรู้สึกอื่นหรอกแต่จิตไปคิดมีอาการคิดเกิดขึ้นนะเนีน่ยมีอาการดูเกิดขึ้นดูออกไหมเนี่ยรู้ทันพฤติกรรมของจิตเข้าไปเลย กระทั่งความตั้งใจอย่าปฏิบัติรู้สึกไหมเ <Okay. S 1> ออตั้งใจดูยากตัวไหนดูรู้ทันนะ <c oughs> ก็หลุดออกมาตัวไหนดูแล้วยังรู้ไม่ทันก็ต <c oughs> ิดอยู่ก็ไปจมอยู่แช่อยู่เพราะว่ารู้ไม่ทันสบายกว่านั้นนะสบายสบายปล่อยเลยกว้างๆนะปล่อยทิ้งเลยปล่อ ย, อยนะ ดูออกไหมนีเออนะโยดูอยู่ตรงนี้อย่าไปเล่นอะไรเปรยป่านะอย่าไปฝึกอะไรพี่ลึกพี่ล่นเพิ่มเติมมานะเสียหายหมดพวกเรามาเรียน ฟ, ฟ, ฟังฟังฟังไปพอจะดีดีเดี๋ยวฟังทางโน้นทีทางนี้ทีเปรกลับมาทุกทีเปรมาหนรอบแล้วนะต่อไปไม่แก้ให้ละ <c oughs> ดูเข้ามาให้ถึงสภาวะจริงๆเลยจิตมีพฤติกรรมดูออกไหมไหววับเนี่ย เนี่ยเข้าไปดูละเห็นไหมเนี่ยหัดดูตรงนี้เลยไม่ต้องรอดูว่าดูสิมีราคาหรือไม่มีมีโทรศัพท์หรือไม่มี น, นั่งจ้องเนี่ยกำลังมีโมหะอยู่หลงจ้องอยู่นั่นแหละนะโมหะเป็นพื้นฐานเลยทําให้เกิดพฤติกรรมของจิตขึ้นมาว่าอาวิชชาเป็นตัจใจของสังขารนะสังขารคือตัวพฤติกรรมนี่แหละตัวเจตนาความจงใจของจิต จงใจดีมั่งจงใจร้ายมั่งเนี่ยจงใจปฏิบัติดูออกแล้วก็ดูเรื่อยๆแต่ห้ามเฝ้าเฝ้าแล้วรู้ไหมเฝ้ามากๆซึมนะใลายเป็นโรคซึมเศร้า <c oughs> ไงสมพงเป็นไงส่งกันบ้านหายเป็นนาน <c oughs> เออดีแล้วนะยาบหยา บ, ยาบเล่นง่ายดูไปอย่าไปทำอะไรขึ้นมาอีกใจมันหนีไปจิตใจเรามันหนีไปคอยรู้ทันมันมันหนีไปแล้วเอาคุณแอนไม่เอาเนาะอย่าไปปรุงนะอย่าไปเพียนเพียนมากไปนะ ถ้าพว ก, กเก่าๆใครจะส่งกันบ้านเชิญก่อนเดี๋ยวทานข้าวแล้วค่อยเล่าคุยกับคนที่มาเรียนใหม่ๆนะแล้วรอเผื่อมีคนใหม่ๆ ม, มาอีกแตไ่ไม่ต้องพูดซ้ำ อย่างนี้มันดีกว่าเบลอนะเบ ล, อ เ, ลอเราเจริญสติไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องทางร่างกายล้คือถ้าหมอบอกว่าลดยาได้แล้วก็ลองลดดูลดดูแล้วเนี่ยจิตใจของเราไม่ได้ถูกมันกดนะยามันไม่ได้กดประสาทเรางนั้นจิตใจเราจะไหววุบวับวุบวับคุณหวานดูตรงนี้ดูที่ใจเราใจเราเนี่ยกังวลไหมกังวลรู้ว่ากังวลนะ ไม่ชอบมันไม่อยากให้มันไหววุบวาบอย่างนี้รู้ว่าไม่ชอบให้รู้ที่ใจอย่าไปหลงดูที่มันวุบวาบนะดูที่ใจไว้ลูกเดียวเลยสังเกตที่ใจเราไม่ไอยู่กับกายเลยอยู่กับกายนิ่งก็ได้อยู่กับกายไปก่อนก็ได้นะแต่อยู่กับกายเนี่ยเพื่อเพื่อวันหนึ่งจะต้องมารู้ที่ใจนะไม่ใช่ไปรู้กายเพื่อจะรู้กาย ใช่ใช่อ่าอย่างนั้นดีนะเราแบบายาพอเห็นามันจะกานี้ภาพอะไรเยนมนจะไม่มีความายอะไรย้กมมีความาได้ออใช่ใช่ใช่ใช่งอคือจริงๆอ่ะมันเร็วมันเร็วทุกคนอ่ะ นะอย่างนาทีหนึ่งเนี่ยจิตปรุงขึ้นมาเยอะแยะเลยมันเริ่มตั้งแต่สัญญามันผุดความจำมันผุดก่อนมีสิ่งบางสิ่งผุดขึ้นในใจเราเนี่ยทีแรกยังไม่รู้ว่าอะไรนะต่อมาเนี่ยสัญญาหมายรู้ว่าอันนี้อันนี้อันนี้นะพอพอพอหมายรู้ได้ก็ค่อยคิดนึกปรุงแต่งต่อได้กุศลนกะุศลให้เกิดได้แต่ถ้าสติของเราเร็วเราจะเห็นมันมันผุดขึ้นมาปุ๊บแล้ววันมันดับไปเลยวางไป ก็พูดแป๊บไม่ปรุงต่อเราจะเห็นว่าถียิบเลยใจนี้ไม่เคยหยุดคิดเลยมันคิดขึ้นมาเป็นภาพก่อนรู้สึกไหมบางทีมันคิดเป็นภาพขึ้นมาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปกังวลตรงนั้นนะดีกว่าเบลอเบลอเนี่ยเหมือนกับรู้สึกตัวนะแต่จริงๆไม่รู้สึกหรอกไม่ใช่การรู้สึกตัวที่แท้จริงที่เบลอเบอไว้ มันจะซึมซึมผิดปกตีแต่อย่างนงี้ยังดีกว่านี่อย่าไปตกใจว่าอารมณ์มันเคลื่อนที่เร็วแต่เดิมมันนิ่งๆอย่าไปกังวลตรงนั้นถ้ากังวล ร, รู้รู้ที่ความกังวลไปเลยนิมิตสักว่ารู้ไปเลยนะรู้เหมือนสัญญาที่ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วก็เลิกกันเลยจะไปต่ออะไรเกิดขึ้นก็ได้ แต่ว่าอย่าตามมันไปอย่าไปใส่ใจอย่าไปไข้ควรกับมันอ่าเนี่ยไงตรงนี้ไงสังเกตไหมมีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นเกิดความจําได้แล้วกเกิดสังขารคือความปรุงแต่งอันนี้ปรุงความกลัวนะกระทั่งแต่งกุศลก็เหมือนกันแตสว่วนทีนั่งนั่งอยู่ภาพพระโผล่ขึ้นมาในใจเราเราจําได้โอ้นี่พระ จิตใจเราเกิดกุศลขึ้นมานะก็ปรุงแต่งเหมือนกันแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตก็ปรุงกุศลตรงอะกุศลก็ปรุงอย่างเดียวกันนั่นแหละหน้าที่ของเราก็คือเราห้ามเขาปรุงอับกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันสังขารสัญญาก็ห้ามไม่ได้ความจำนะอ่ะย่างจำผุดขึ้นมาทีแรกไม่รู้อะไรแต่มาจำได้ว่าเป็นภาพน่ากลัวรือนวะ่าน้าผีเละๆขึ้นมา ความกลัวก็เกิดอย่าไปดูที่ภาพนั้นให้ดูที่ความรู้สึกของเราดูความกลัวของเรานะย้อนกลับเข้ามาดูที่ความรู้สึกเรื่อยๆไม่เป็นไรปกติมันขึ้นอย่างนั้นทั้งวันแหละนะเพียงแต่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่าขึ้นเฉพาะตอนนั่งสมาธินะตอนนี้ก็ขึ้นอย่างเนี้นะมันขึ้นมาตลอดอันคนเราเป็นคิดด้วยการสร้างสั ญ, ญลักษณนะ์คิดโดยมีสั ญ, ญลักษณ์เป็นสื่อบางคนคิดเป็นภาพ บางคนคิดเป็นคำพูดบางคนนึกอะไรไม่ออกนะบางคนท่องพุโทโธพุโทโธนะอุตส่าห์มีพอผ่านสระอุพอทหารในครูขึ้นมะใช่ไหมคิดผ่านสัญลักษณ์ไปเรื่อยๆเคยเป็นฮนะื่ม คือตรงที่มาอยู่กับรู้ตัวต้องระวังนิดหนึ่งหรือจะไปแช่อยู่ที่รู้ตัวก็ไม่ได้นะไม่ดีจะเข้าไปแช่อีกเพราะงั้ น, น, อ, น, น, นอ่าอ่าออ่อย่าดึงอย่าดึงนะสมมติว่ามันมันซ้อนอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วจะอึดอัด ถ้ามันกลับมาเองเพราะมันเคยเคยกลับหรือถ้ามันถอนเองนะนใจโล่งๆเบาๆอย่างนี้ใช้ได้นะใจหนักไหมตอนถอนไม่หนักไม่เป็นไรอถอยขึ้นมาแต่ว่าพอถอยขึ้นมามาทรงตรงเนี้อย่าให้เบลอนะอย่าทําใจลอยๆอย่าแช่กับความลอยๆต้องระวังแช่ลอยๆเนี่ร้ายยิ่งกว่าไปแช่นี่อีก อ, อ่อย่างนั้นไม่เอา หลงผ่อเคยถอยๆๆแล้วถอยเหมือนจะหงายหลังเลยนะเพราะว่าเราไปไปดูใส่ตัวผู้รู้เข้าคือเราพอมันถอยมาเนี่ยนะหวานสังเกตไห้หวานไม่สนใจตัวนี้แล้วหวานสนใจตัวนี้แทนพอสนใจตัวนี้ไปดูตัวนี้เข้าตัวนี้กลายเป็นตัวถูกรู้อีกแล้วแล้วมันก็มีตัวรู้ซ้อนเข้ามาพอมาดูตัวนี้อีกนะมันก็ซ้อนอีกงนั้นอย่าไปดูตัวผู้รู้ คือหวานรู้อย่างนี้รู้ว่าเมื่อกี้จมอยู่ตอนนี้ไม่จมอยู่นะรู้แค่นี้พอแล้วอยดเจ้าใส่ตัวนี้อย่าไปจ้องใส่ตัวบนนี้คือถ้ามันแช่นะสวิชไปดูได้นะคือคือดูให้เห็นว่าสภาวะสองอันเนี้ยเท่าเทียมกันสภาวะที่เกาะอย่างนี้นะอันหนึ่ง เกิดสภาวะที่อยู่อย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งเ น, นี้ยสองอันนี้เท่าเทียมกันไม่ใช่เกลียดอันหนึง่งชอบอันหนึง่งอ่าอ่าอ่าเบาลงไปนะนิดหวานเนี่ยบัวดูสองตัวนี้ดูที่ความรู้สึกจริงๆของเรานะ่นเช่นพอมันแยกอย่างเงี้ยเราอาจจะพอใจเกาะอยู่เราไม่พอใจเนี่ยดูตรงนี้ดูพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ย อ่าอ่าเห็นเป็นเราใช่ไหมเออดีที่เห็นนั่นแหละกิเลมนก็อยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ว่าจุดสําคัญคือทํายังไงจะสามารถรู้โดยไม่ขี้เข้าไปใส่มันไม่เพ่งใส่มันถ้าไปนั่งจ้องใส่มันนะมันจะซ้อนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งไม่ไม่ใช่หรอกมันจริงจริอะมันมีสองอันอยู่เรื่อยๆแ่ละเพียงแต่สองอันแต่เดิมอยู่ตรงนี้ เรามาสองอันย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนเพราะจิตกับอารมณ์มันคู่กันเสร็จแล้วพอมันมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราเกิดไปดูเข้าอันี่กลายเป็นตัวเดียวแล้วตัวดูแยกออกมาอีกซ้อนขึ้นมาอีกแต่ว่าเอางี้สิอย่าอย่าเลื่อนขึ้นมาอย่าเลื่อนการดูของเราถ่าขึ้นมาถ่าขึ้นมาอย่านี้อย่าเลื่อนขึ้นมานะรู้อยู่ตรงนั้นแหละ รู้อยู่แล้วจิตถอยขึ้นมานะก็รู้ว่าตรงนี้ว่างๆนะถ้าตรงนี้ว่างๆแล้วก็จิตใจเราสบายรู้ว่าสบายอะไรเงี้ยคือไม่จ้องใส่ตัวเนี้ยรู้สองตัวติดกันเนี่ยนะก็ต้องระวังไปแช่กับมันอีกนะรู้สองตัวติดกันเนี่ยหวานดูเลยมันจะแยกเองรู้สึกไหมมันแยกแยกรู้ว่ามันแยกไม่ยินดี เหมือนเราดูอยู่ห่างๆเหมือนทั้งทั้งคู่เนี้ถูกดูเหมือนอยู่ในจอภาพอันเดียวกันเลยแต่มันเป็นจอภาพที่ซ้อนเชิงนี้ไม่ใช่ทางนี้ทั้งหมดเนี้ยถูกรู้ถูกดูเหมือนเหมือนกันอย่าหลงขี้ใส่ตัวนี้แรู้กว้างๆรู้คลุ่มๆเนี้ยรู้ทั้งหมดอย่าเงี้ยอย่าขี้ถ้าขี้แล้วจะไล่หาไปหาตัวผู้รู้จะเที่ยวหาตัวผู้รู้ไปเรื่อยๆเลยหาไม่เจอหรอก